ผมเคยได้ยินชื่อเสียงและผลของการทดสอบปฏิบัติการของมันมาก่อนบ้างเหมือนกันครับแต่เพิ่งจะมาเห็นผลการยิงแท้จริงตอนที่คุณชายยันยิงกวางผิดเมื่อวันที่ออกเดินทางวันแรกเห็นกระสุนที่พลาดจากกวางไปกระทบดินกําลังอัดของแรงประทะดันหินก้อนขนาดครกต่าน้ําพิกรอยขึ้นไปสูงลิฟแล้วอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่ตามรอยกระทิงลําบากกันเมื่อวานจากรอยที่คุณชายยานยิงไว้ครั้งแรก แม้จะไม่ถูกที่สำคัญแต่อำนาจประทะททำให้มันช็อกล้มดิ้นตีแปลงป่าราบไปก่อนที่จะลุกขึ้นวิ่งตเตลิดหนีสังเกตดูแรงสะท้อนถอยหลังก็ไม่หนักหน่วงมากมายอะไรนักรู้สึกว่าจะนิ่มนวลดีที่สุดสำหรับปืนขนาดหนักด้วยกันทั้งหลายไม่ถีบเท่าไรหลอกละพินชายยันผู้กำลังส่องดูรำกล้องคู่ของจุดร้องบอกมา ตามความรู้สึกของผมว่ามันจะถีบน้อยกว่าจุดสี่ริกบี้เสียอีกบอกน้อยให้เขาเอากระบอกนี้แล้วเขาก็ไม่เอาเห็นบอกว่าไม่ถนัดอีตอนที่จะต้องกระชากลูกเลื่อนอยู่ปืนมันก็หนักอยู่แล้วยังต้องให้ฉันมาคอยกระชากลูกเลื่อนหนักอยู่อีกเลอดาลินว่าผมว่าคุณหญิงเลือกแฟดเหมาะที่สุดแล้วครับพรานใหญ่หันมาบ่หญิงสาวพร้อมกับยิ้ม เพราะการยิงปืนแบบโบลแอคชั่นหรือลูกเลื่อนวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือในขณะกระชากลูกเลื่อนสลัดปลอกกระสุนเก่าออกเพื่อจะบรรจุนัดใหม่เข้ารางเพลงภายหลังจากที่ได้ยิงนัดแรกไปแล้วนั้นจะต้องกระชากในขณะที่ปืนยังคงประทับอยู่กับบ่าร์มิช่ายลดปืนลงมากระชากลูกเลื่อนแล้วยกขึ้นประทับใหม่เพราะจะทําให้ช้าเสียเวลาน้ําหนักของจุด45่ห้กระบอกนี้คงทําให้คุณหญิงไม่สามารถจะ ก, กระชากลูกเลื่อน ขณะที่ผ่านท้ายยังประทับอยู่กับบ่าแน่ๆรำพังมือเดียวที่รองรับกระโจมมือไว้นั้นคงจะคลอนปืนไม่ไหวสําหรับปืนแฝรถ้าจะยิงซ้ำก็เหนียวอีกกายหนึ่งเท่านั้นเองฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละถึงได้เลือกเอาริกบี้ระพินเดาะลูกปืนขึ้น ข, นขนลงๆงเงยหน้าขึ้นมองดูเชื่อที่ยืนเท้าเอวยิ้มยิ้มอยู่ตรงหน้านี่น้ําหนักของหัวกระสุ น, นมิป่าเข้าไปตั้งร่วมห้าสิบกรัหรือครับ ใช่กระสุนหัวแข็ง500พอดีหัวอ่อน510เกรนความเร็วต้น 2,125 ฟตุตต่อวินาทีน้ำหนักของหัวกระสุนก็ดีความเร็วที่ไม่สูงเกินไปนักก็ดีเป็นที่พิสูจน์กันมาแล้วว่าควายป่าแรดหรือช้างก็ไม่มีทางจะยืนอยู่ได้เกินกว่า25วินาทีภายหลังจากดูดเอาหัวกระสุนเข้าไปบริเวณที่หมายสำคัญ นักราศาสตว์ชื่อก้องโลกและรู้จักปืนราศาสตร์ทุกชนิดกนหนึ่งกล่าวไว้ว่าในบรรดาปืนราษาตร์ทั้งหลายนั้นมีขนาดต่างๆกันอยู่หลายสิบชนิดเรียงลําดับกันขึ้นมาถี่ยิบนับไม่ถ้วนทีเดียวแต่ก็มีปืนราศาตร์ที่จําเป็นและเหมาะสมสําหรับนักราศาสตว์แท้จริงอยู่เพียงหขนาดเท่านั้นซึ่งถ้ามีเพียงหขนาดนี้เท่านั้นก็สามารถทําการราศาสตว์ทุกชนิดได้ในโลก คุณเองมีอาชีพเป็นพรานและสำหรับพรานเมืองไทยด้วยกันด้วยแล้วก็ต้องถือว่ายากนักที่จะหาตัวจับคุณพอจะบอกได้ไหมว่าปืนห้าขนาดที่พรานใหญ่ฝรั่งคนนั้นระบุไว้มีขนาดไหนบ้างระพนหัวราะสันสีษะเอผมเห็นจะไม่ทราบหรอกครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่พรานใหญ่ของโลกตัวผมเองมีปืนใช้อยู่เพียงแค่สามขนาดเท่านั้น เอาละสขนาดของคุณที่มีอยู่นั่นนะ่ะเป็นขนาดไหนบ้างก็ลูกซองเบอร์ B 12หนึ่งกระบอกไรเฟิล3006แล้วก็375สม็หแมกนัมในจำนวน5ขนาดที่พ่านใหญ่ของโรคผู้นั้นแนะนำคุณเองก็มีอยู่ในมือแล้วถึงสขนาดทั้งสมขนาดที่คุณมีทั้งหมดติดอยู่ในข่ายปืนที่เขาแนะนำทั้งนั้นแหละแปลว่าทัศนนะหรือความรู้สึกของคุณก็ตรงกันกันกบเขาอยู่แล้วเว้นไว้แต่ยังขาดไป เพียงอีกสองขนาดซึ่งคุณอาจพิจารณาว่าไม่จำเป็นสำหรับคุณก็ได้เปินที่เขาแนะนำไว้5ขนาดเรียงตามลำดับขึ้นไปก็คือ1ลรุกซองเบอร์12 2ลรุกกดขนาดจุดสองสอง 3. ขนาดจุดสาม 6, ขนาดจุดสมเจหแมกนัมและ5 .45 จุดหแมดแมกนมเป็นยังไงตามสิทธิความคิดเห็นของตะพานคนนั้น ยอมพลานเลือกคิ้วขึ้นหัวเราะออกมาเบาๆก็มีเหตุผลที่น่าเห็นด้วยมากทีเดียวครับตามที่เขาว่าลูกซองกับลูกโกรธสําหรับเป็นปืนหาอาหารประเภทสัตว์เล็กหรือสัตว์มีปีกจุดสามศเอาไว้สําหรับสี่เท้าในระยะที่ต้องยิงไกลหน่อยจุด37มสําหรับสัตว์ที่มีน้ําหนักตัวขนาดกลางและจุด45่ห้าแปหรับปราบสัตว์ใหญ่ดุร้ายอันตรายผมเห็นด้วยครับสําหรับข้อแนะนํานี้ จริงของเขาในบรรดาปืนขนาดต่างๆที่มีอยู่นับเป็นร้อยๆขนาดนั้นการเลือกที่ฉลาดควรจะเลือกไว้เพียงหขนาดนี้ก็พอแล้วใช้ได้ครบถ้วนหมดทุกวัตถุประสงค์ในการร่าที่ผมเอาทฤษฎีของตาพรานใหญ่คนนี้มาบอกให้ฟังก็เพื่อจะให้เห็นว่าแม้แต่พรานใหญ่ของโรคก็ยังรับรองว่าปืนขนาดจุดสหแมดกนัมถือเป็นปืนปราบสัตว์ใหญ่ที่ไว้วางใจได้แล้ว แกไม่ได้แนะนำพวกปืนแสตดของยุโรปที่มีคาริเบอร์เหนือขึ้นไปอันมีอยู่ตั้งหลายขนาดเลยจุดสี่ดที่เคยมีชื่อเสียงก็ดีจุดสี่เจ็จุด5 0าจุดขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดจุดหกศูในโตแกเห็นว่าเกินความจำเป็นถ้าหากว่ามีจุดสห้าปห้าไว้แล้วเพียงกระบอกเดียวยิ่งกว่านั้นยังแนะนำไว้อีกนะว่า ถ้าใครสักคนหนึ่งมีโอกาสที่จะมีไรเฟิลได้เพียงกระบอกเดียวก็ควรจะเลือกขนาดจุดสามเจ็ดากนัมเถิดจะเป็นการเลือกที่ถูกที่สุดแต่ถ้ามีโอกาสมีได้สองกระบอกก็ให้เลือกขนาดจุด6กับจ4 5หแมดมกนัมเพราะฉะนั้นถ้าจะพิจารณาตามทัศนะของตะพานคนนั้นเราก็พอจะสรุปลงความเห็นได้ว่าไรเฟิลทั้งสามขนาดดังกล่าวนี้ จัดว่าเป็นปืนดีที่สุดเรียงตามลำดับไหลขึ้นไปทีเดียวคือเล็กกลางและใหญ่นอกเหนือไปจากนี้แล้วถือว่าเป็นปืนจับชายไม่จัดเข้าอันดับไหนได้ถูกต้องสมควรในวงการของการล่าสัตว์ในยุคปัจจุบันจะไม่รองจุด458หดูสักนัดหรือระพินชัยยันขยันขยอมาเมื่อเห็นพรานใหญ่ทดลองยกขึ้นประทับสองดูศนยกับตะเกียงเจ้าพายุเชิดาสนับสนุนมาอีกคนหนึ่ง เขาจึงยัดกระสุนรูปที่ถอดออกมาจากรังเพลินเข้าที่เดินแหวกประตูกระจงออกมาคณะนายจ้างทั้งสมเดินตามออกมาด้วยเชษฐาใช้ฝีฉายแปดท่อนส่องกลาดหาเป้าหมายเพื่อซ้อมมือไปยังดงทึบรอบด้านแล้วก็พบกับลำต้นไม้ตายซากต้นหนึ่งยืนชะลดอยู่บนเนินขาวตอนหนึ่งปราจากกิ่งใบนอกจากลำต้นสูงเปลี่ยวที่ตั้งตรงขึ้นไปราวกับเสาธงห่างออกไปประมาณ60สเมตร มีภูโหนกเป็นลักษณะคล้ายตาไม้งอกออกมาที่บริเวณส่วนกลางลำต้นตอนหนึ่งก้อนสักขนาดลูกมะพร้าวห้าวพอจะอนุรุมเป็นเป้าหมายได้อย่างดีเหมาะเลยต้นไม้ต้นนั้นชัยยันบอกในขณะที่เชษฐศาสา์รำไปฉายปิจับและส่องกลาดให้เห็นจากส่วนปลายของลำต้นลงมาจนถึงโคนที่ถูกบังหายไปในความทึบของพงไม้เร็ก ไม่ใช่ส่วนอื่นนะต้องยิงที่ตาไม้เป็นปุ่มนั่นด้วยดารินรีบบอกมาโดยเร็วยกมือขึ้นกอด อ, อกเอียงคอมองดูรพินอย่างท้าท้าพรานใหญ่คงยืนถือปืนยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายยังไม่มีใครหลับนอนเพราะหัวค่ำอยู่มากขณะนี้นั่งเรียงรายคุยกันพึมพำอยู่ริมกองไฟพากันหันมามองดูพรานใหญ่และคณะนายจ้างที่ออกมายืนออฉายไฟกันอยู่หน้าเต็นท์อย่างสงสัย ได้พิณจึงตะโกนบอกให้ทราบว่าจะรองปืนพวกนั้นจึงคลายความตื่นลงกลายมาเป็นสนใจเฝ้าจับตามองอยู่เขาหน่วงน้ำหนักไรเฟินกระบอกนั้นในมือทั้งสองหาความแน่ใจอีกครั้งจึงยกขึ้นประทับบ่าแต่แล้วก็ต้องชะ ง, งักอีกครั้งอดถัวเราะออกมาไม่ได้เมื่อเสียงเบาๆของดารินบอกมาอีกว่าอย่าให้ผิดนาะไม่งั้นขายหนะ้า โทนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมยิงปืนขนาดนี้ยังไม่รู้ทิศทางมาเลยไม่ต้องมาทำออกตัวแก้หน้าวิก่อนหรอกบอกกล่าวให้รู้ร่วงหน้าด้วยถ้าถูกก็เสมอตัวถ้าผิดเป็นถูกหาป่าแน่หญิงสาวพูดหน้าตาเฉยแลพินกรืนน้ำลายลงคองกระพริบตาปลิบๆชายยานหันมาทางเพื่อนสาวว่าแต่เธอพนันกับฉันไม่ล่ะฉันถือหางแลพินเอง ฉันเอาว่าเขายิงถูกเธอจะรองก็ได้ดีเหมือนกันฉันเองยังเป็นหนี้พนันเธออยู่หมื่นบาทตอนที่เธอยิงหัวงูเขียวเมื่อสามสิวันก่อนน่ะมาพนันกันอีกครั้งหนี้สินจะได้หายกันสักทีต่อให้เท่าไหร่ล่ะสองหนึ่งอ้าวเดิมพันหมื่นเดียวเท่านั้นฉันแพ้กลับไปถึงกรุงเทพฉันจ่ายเธอสามหมื่นรวมกับที่แพ้พนันคราวก่อนด้วยแต่ถ้าฉันชนะโดยการที่พรานของเรายิงปุ่มตาไม้นั่นถูก หมื่นบาทที่ฉันเป็นหนี้เธอเป็นอันหลุดกันพี่เล่นกับเธอได้คนจะได้พลอยหลุดหนี้สินแพ้พ น, นันคราวนั้นด้วยเชษฐาเสิร์มาอีกคนยิ้มยิ้มอย่างนึกสนุกน้องสาวคนสวยเอาลิ้นดุนกับภุ้งแกม้มยิ้มเลิกคิ้วน้อยๆมองจับไปที่พรานใหญ่ด้วยแววตายิ้มยิม้มตกลงค่ะหล่อนบอกอ้าวยิงและพินย้ายผิดนาถ้าขืนผิดผมกับชายยานต้องจ่ายเงินน้อยกันร่วมแสนทีเดียวแหละ ชายันเป็นหนี้น้อยอยู่ก่อนแล้ว1มื0นหนึ่งสุนผมเป็นหนี้อยู่สอง0มืนเราต่อคุณสองหนึ่งน้อยเขารองถ้าคุณขืนยิงผิดชายันต้องจ่ายทั้งหนี้เก่าถึงสาม0มื่นส่วนผมปาเข้าไปหก0มืนทีเดียวโอ้ยคุณชายกับคุณชายันก็มีหวังเสียเงินนะสิครับถ้าเล่นผมเอาเถิดหน้ายิงก็แล้วกันผมกับชายันเชียร์คุณเต็มที่ท้อทำไมต้องต่อให้คุณหญิงด้วยล่ะครับ เอาแค่เสมอกันไม่ดีกว่าหรือแพ้ริชนะจ่ายเท่ากันพรานใหญ่พูดอ่อยๆดาดินย่นจมูกเชอะไม่เอาเล่นเสมอไม่เอาต้องต่อสิคุณก็เหมือนกันจะวางเดิมพันด้วยก็ได้ตกลงครับผมเล่นตัวเองสิบสลึงผมยิงผิด จ, จ่ายคุณหญิงยี่สิบสลึงยิงถูกคุณหญิงจ่ายผมสิบสลึงเงกนี่แน่อย่าพนันดีกว่ามีอย่างหรือเขาเล่นกันเป็นเงินหมื่น ตัวเองเล่นเพียงแค่สลึงฆ่าลูกปืนก็ที่ยิงก็ยังไม่พอแล้วโธ่ผมจะมีปัญญาไปเอาเงินหมื่นที่ไหนมาเล่นกับเศรษฐีได้ห่ะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดมากมีหน้าที่ยิงก็ยิงไปพวกฉันพนันกันเองและพินอมยิม้มประทับปืนขึ้นอีกครั้งปากก็พูดเบาๆคุณหญิงครับว่ายังไงถ้าผมยิงผิดคุณหญิงชนะพนันเป็นเงินตั้งก้าหมืนไม่ใช่หรือครับมันเรื่องของชัน ถ้างั้นผมเล่นตัวเองสักสองหมืนด้วยก็แล้วกันนี่พูดจริงๆเลยตกลงไหมคุณแพ้คุณต้องจ่ายสี่มืนนะหลอนครูอ๋อแน่นอนครับเอางี้ดีกว่าหลอนเอียงคอชักกลังเรถ้าอยากได้เงินสองมืนฟรีๆยิงให้ผิดแล้วฉันจ่ายให้คุณเองเชฐหากับชัยยานลืมตาโตร้องออกมาพร้อมกันหาอะไรกันโกงแล้วน้อยมีอย่างร ติดสินบนกันแบบนี้ไม่รู้หรอกค่ะอุบแล้ ว, ลวพี่ใหญ่กับชา ย, ยานอยากพนันกับน้อยไว้ก่อนทำไมแล้วหล่อนก็เอามือควายหลังพูดขึ้นลอย่อยใครอยากได้สองหมื่นฟรีฟรีก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองหรือไม่อยากได้เงินก็ตามใจพรานใหญ่ชำเลืองศบตาหล่อนยิ้มขันขั น, ขนไม่กล่าวเช่นไรอีกลีตาลงโดยอาศัยแสงลำไฟฉายจากมือของเชษฐทาที่ส่องให้พริบตานั่นเอง จุด 4.58 แมกนัมก็แผดระเบิดขึ้นกึกก้องท่ามกลางความเงียบสงัดของดงทึบ ก, กลางราตีอำนาจระเบิดของมันทําให้ทุกคนที่ยืนดูอยู่เบื้องหลังรู้สึกคล้ายมีลมพัดบูบมาที่ตัวอย่างแรงตาไม้ที่งอกรั้มจากลำต้นออกมาเป็นตะปุ่มอันเป็นเป้าหมายแตกกระจายวับเป็นสะเก็ดรลุดหายไปกับตากิ่งไม้ใหญ่อันขนาดท่อนขาอีกกิ่งหนึ่งซึ่งเห็นตามลำไฟส่องอยู่ริมหน้าผาริบลิบ ห่างออกไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรเบื้องหลังต้นไม้ตายเศร้าต้นนั้นลั่นเปรียยได้ยินมาอย่างถนัดแล้วมันก็ค่อยๆหักเลืนพับลงมาห้อยอยู่กับลําต้นราวกับถูกใครเอาขวานยักษ์จามนั่นคืออํานาจประทะอย่างมหาศาลของหัวกระสุนภายหลังจากทําลายเป้าหมายแรกแล้วเลยวิ่งเลยไปตัดกิ่งไม้ที่ขวางอยู่เบื้องหน้าทิศทางของมันพวกลูกหาพากันคลางหืม เมื่อมองเห็นอนุภาพอันร้ายกาจของไรเฟิลนกระบอกนั้นแล้วพินหันไปทำหน้าตื่นกับหญิงสาวผู้ยืนเท้าเอวหน้างออยู่ตายเลยผมตั้งใจยิงให้ผิดเพื่อจะได้ขอแบ่งเงินพนันสองมื่นจากคุณหญิงไงมันถึงดันฟรุกไปถูกเข้าได้ก็ไม่ทราบว่ามันพิสูจน์ให้เห็นชัดอยู่ตลอดเวลาว่าระหว่างคุณกับฉันไม่มีทางจะสามัคคีกันได้เลยยังไง ล, ล่ะดารินพูด แล้วหันมาทางเชี่ยากับชายยันไม่เสียแรงหรอกค่ะที่พี่ใหญ่จ้างพรานคนนี้นำทางลักษณะของเขาสอยเห็นชัดอยู่เสมอว่าซื่อสัตย์สุดจริตและมั่นคงดีขนาดติดสินบนตั้งสองหมื่นเพียงแค่ให้ยิงเป้าผิดแค่นี้ยังไม่เล่นด้วยเลยจบเสียงกระแทกเงาเงาหันมาค้อนพรานใหญ่อีกทีและแพร์หญิงหม่อมราชวงหญิงดาลินวราริศ ก็เดินแบบม่านกระโจมเข้าไปเสียปล่อยให้พี่ชายได้เพื่อนชายยืนหัวเราะกันอย่างขบขันครื่นเครงระบินใช้ไฟฉายส่องดูกิ่งไม้ดิบริบที่ถูกลูกปืนตัดหักโค่นลงมาด้วยความทึ่งอย่างยิ่งแล้วทดลองยิงอีกสองสามนัดตามเป้าหมายที่จะเลือกต่างๆส่วนมากเป็นกิ่งไม้และแง่โคทินในระยะห่างคอยสังเกตอานาจปัญญของมันผลของการทดลองให้ความพอใจอย่างยิ่งยวดเป็นยังไงบ้าง ชยันเอ่ยถามอย่างกระตือรือรน้นภายหลังจากที่รถบินกระชากปลอกกระสุนกระเด็นดุดออกมาจากรางเพลิงเมื่อยิงนัดสุดท้ายออกไปแล้ววิเศษสุดในบรรดาไรเฟิลทั้งหลายที่ผมเคยมีโอกาสยิงมาครับแรงสะท้อนถอยหลังก็นิ่มนวลพอที่จะควบคุมวิถีกระสุนไว้ได้จุดสามเหเทียบไม่ได้ครึ่งไว้วางใจได้อย่างสบายเลยครับสําหรับสัตว์ใหญ่ขนาดช้างหรือแรดถ้างั้นเอาไว้ประจํามือสักกระบอกสิเรามีมาสองกระบอก พรานใหญ่ยิ้มอย่างสุภาพสำรวมสั่นศรีษะน้อยๆช่างเถอะครับผมคิดว่าเอาไว้ในคังปืนส่วนกลางตามเดิมจะดีกว่าถ้าฉุกเฉินจำเป็นอย่างไรก็ค่อยหยิบฉวยขึ้นมาสำหรับผมปืนติดมือที่ถนัดที่สุดก็คือจุดส7 5เจห้าอย่างที่เรียนแล้วมันคล่องแคล่วดีไม่เธอท่ากีกะจนเกินไปเชื่อถารับไลายเฟิลกระบอกนั้นมาบรรจุกระสุนอีกชุดหนึ่งซ้อมยิงบ้าง โดยชายยานเป็นผู้เส่องไฟไปที่ต้นยางสูงเริยวต้นหนึ่งแต่ําต้นผอมเรียวขนาดต้นมาเคืองๆมีกิ่งใบทึบเฉพาะตรงปลายยอดหัวหน้าคณะเดินทางเล็งไปยังระดับส่วนกลางของลาต้นและปล่อยกระสุนออกไปอย่างปราณีตทีรนัดทุกครั้งที่หัวกระสุนทะลุผ่านลาต้นยางต้นนั้นเห็นมันสั่นสะเทือนอย่างถนัดพอนัดที่สี่ซึ่งเชฐิฐาวางแนวกระสุนได้ระดับเท่ากัน อย่างต้นนั้นก็รั่นดังสนั่นและหักโค่นพับกลางลงอย่างน่าดูชัยยานเปลี่ยนไฟฉายไปให้รบพินช่วยส่องตอนเองรับปืนมาจากเชษฐถาซ้อมยิงอีกคนหนึ่งเป็นการประลองฝีมือและทดสอบแนวทางของไรเฟิลกระบอกนั้นชัยยานยิงเข้าหานาผาตัดเรียบเกลี้ยงของชะงอนขาวลูกหนึ่งซึ่งห่างออกไปไกลแทบจะสุดระยะส่องถึงของไฟฉายขนาดแปดท่อน แต่ก็นั้นฝุ่นอันเกิดจากหัวกระสุนกระทบกับหินผายังกระจายคลุ้งเป็นม่านควนันมองเห็นได้ถนัดท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าเสียงหัวกระสุนที่หวีดแหวกอากาศพุ่งไปได้ยินอย่างถนัดกำปนาระเบิดของมันสะท้อนจากเขารูปหนึ่งไปยังอีกรายรูป ก, ก้องกลับไปกลับมาซึ่งวิปินบอกอย่างขันๆว่ารับรองครับคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นไอ้แหวงหรือสัตว์ร้ายใดๆทั้งสิ้น จะไม่มีวันแพ่วพานเข้ามาใกล้แคมป์เราเป็นอันขาดดารินอดโกรนทนอยู่ไม่ได้เพราะเสียงปืนที่ร่านอยู่เป็นจังหวะอันเกิดจากการซ้อมมือของเชีฐาและชายยันก็แหวกประตูกระโจมออกมาอีกครั้งหูจะแตกตายแล้วในพานเออแนะ่เห็นเป็นของสนุกยิงเอายิงเอาหนวกหูจะตายใครบอกว่าละพินยิงชั้นกับเชฐาต่างหาก ถ้าเธอจะว่าก็ว่าฉันกับเชิดาเรื่องอะไรจะไปว่าระพินเขาชายันเถียงแทนหันไปหญิงนัดสุดท้ายดับบรรจุ ก, กระสุนชุดใหม่อีกอย่างมันมือดาเรินยกมือขึ้นอุดหูแล้วเดินมากระชากลาเฟินไปจากมือของชัยยันก็ว่าทั้งสามคนนี่แหละอะไรมีอย่างหรือมืดข้ามแล้วยังมาซ้อมยิงเป้ายืนได้โหอื้อไปหมดแล้วโล่าสิทีเถอะเอามาหน้าน้อยขอยิงอีกชุดเดียวเท่านั้น เรื่องอะไรกันนี่อยู่ๆก็มาแย่งไปงั้นแหละกำลังซ้อมมือมันๆบอกว่าหนวกหูหนวกหูไม่ให้ยิงอีกแล้วไม่ได้เย็นเลยดาลินตวาดเพื่อนชายแวดคว้าปืนเดินเข้ากระโจมไปเสียชายยานจุ ป, ปากลั้นโครงหัวบ่นพึมเออนีแน่น้อยนี่แพ้นพนันมิอตกี้นี้เลยเกเรใหญ่ทั้งสามชายหัวเราะละพิ์ทาท่าจะขอตัวแยกไปพักผ่อน แต่เช่ถารังให้เข้าไปคุยในเต็นท์อีกสักครู่เพราะเห็นว่ายังหัวค่ำอยู่มากเขาจึงต้องอยู่ร่วมวงกับคณะนายจ้างอีกครั้งดาดินจ่ายยาให้ทุกคนกินตามปกติแต่พอมาถึงผานใหญ่ก่อนที่จะส่งยาให้หล่อนถามเงียบเงียบว่าเป็นไงบ้างบาดแผลจริงตามที่หญิงสาพูดไว้เมื่อเช้านี้ไม่มีผิดตั้งแต่หัวค่า ม, มานี้ระพินเริ่มรู้สึกปวดระบมที่บาดแผลมันทวีขึ้นเป็นลาดับที่อากาศเริ่มเยน็นลง ก็เรียบร้อยดีครับไม่รู้สึกอะไรเลยเขาโกหกถ้างั้นก็เห็นจะไม่ต้องพึ่งยากันมัง้งก็สุดแล้วแต่คุณหมอจะกรุณาไม่เป็นอะไรแล้วจะต้องมากินยาทำไมดีเหมือนกันไม่เปลืองยาหญิงสาวเก็บยาลงขวดหน้าตาเฉยแล้วเดินเข้าไปผาดเสื้อผ้าอยู่หลังมา่านหล่อนคงจะเข้านอนเลยเพราะไม่เห็นกลับออกมาอีกปล่อยให้เชษฐาชา ย, ยานไดรพิน นั่งดื่มบรันดีคุยกันตามลำพั ง, งพรานใหญ่ถือโอกาสเล่าให้ในายจ้างทั้งสองของเขาทราบถึงสิ่งที่เขาได้สนทนากับแง่สายเมื่อคืนก่อนนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่นายจ้างควรจะได้รับทราบไว้ด้วยทั้งเชิดถาและชายยันเต็มไปด้วยความพิศวงและสนใจเต็มที่รูนเรื่องไอแหวงลงชั่วขณะเชิดถาตะโกนเรื่องแง่สายให้เข้ามาพบในทันทีนั้นบอกให้หนุ่มกระเรียงพเนจรผู้ดุกลับนั่งลงบนม้าตัวหนึ่ง แง่ทรายจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยที่แก่เคยรู้เคยเห็นเกี่ยวกับคนที่ชื่อชดประชากรให้นายท่านฟังเหมือนกับที่แก่ได้เล่าให้ฉันฟังเมื่อคือนผานใหญ่บอกด้วยสีหน้าและอาการเรียบเรียบเป็นปกติอดีตนายทหารกองโจกรกะเรี่ยงเล่าให้เชษฐาและชัยยันฟังตามที่ถูกซักไซไรเลียงแง่ทายเล่าถึงชดประชากรผู้ซึ่งตนได้ข่าวว่าจะออกเดินทางไปเทื่ยขาพระศิวะ และได้มุ่งมาสมัครติดตามไปด้วยแต่เป็นการมาที่สายเกินไปเล่าถึงการติดตามของตนเองซึ่งต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นเสียก่อนพระธุดงประหลาดที่มาช่วยเหลือให้รอดตายและทำนายเหตุการณ์เล่าถึงเทือกเขาพระศิวะขุมเพชรพระอุมาและมรกตนครทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามที่เคยได้บอกกับพระพินไว้แล้วเมื่อคืนก่อน ทั้งเช่ดฐานและชายยานสอบซักซ้ายไร่เลียงหนุ่มพเนจร อ, อยู่เป็นเวลานานแต่ทั้งสองไม่ได้ความกระจ่างอะไรมากไปกว่ารพินผู้ซึ่งคุยกับแง่สายมาก่อนแล้วเอาละเป็นอันวญาแกยอมรับใช่ไหมว่าแกเคยออกตามน้องชายของฉันลึกจากกล่มช้างเข้าไปจนกระทั่งไปเกิดอุปตะวะเหตุเสียก่อนและต้องถอยกลับมาเป็นความจริงครับเจ้านาย แง่าสายรับคำด้วยเสียงห้าวต่าเชิดฐาชายยันหันมามองดูตาระพินและเปลี่ยนไปจับอยู่ที่แง่าสายอีกครั้งชายยันก็เอ่ยขึ้นนี่เราเพิ่งจะมารู้กันเดี๋ยวนี้เองว่านอกจากพรานใหญ่ระพินแล้วก็ยังมีแกอีกคนหนึ่งที่ได้รู้ข่าวระแคระคายเกี่ยวกับคนที่ใช้ชื่อว่าชดประชากรซึ่งเรากำลังติดตามหาตัวเขาอาจเรียกได้ว่าแกเป็นคนสุดท้ายที่ได้ข่าวเขาก็ได้ ทำไมแกถึงไม่บอกเราเสียแต่แรกปิดเงียบมาตลอดท่านไม่ได้ถามผมเป็นคำตอบสั้นๆฉันนี่ที่ทำให้คณะนายจ้างมองดูหน้ากันอีกครั้งอออแกนี่เป็นคนลึกน้าอาการอยู่นะแต่ฉันก็อยากจะเชื่อและไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตของแกเชื้อถาพึมพารรออกมาขณะที่เจ้าหน้าแงาสายคำเหมิงยกมือขึ้นรูปปลายคางไหนแกบอกว่าตอนที่แกพยายามจะติดตามชดประชากรไปก็ดี และพยายามสมัครขอติดตามเราไปด้วยในครั้งนี้ก็ดีแกต้องการเพียงแค่ไปให้ถึงเทือกเขาพระศิวะที่แกอ้างว่าเป็นถิ่นที่มาของแกเท่านั้นเองหรือเป็นความสัตย์จริงครับบอกมาตามตรงเถอะมีอะไรซ่อนเล้นแอบแฝงอยู่ในการปรารถนาจะไปถึงเทือกเขาพระศิวะของแกใบหน้านั้นยิ้มจนเห็นฟันขาวสายศีษะช้าช้ า, ชาตาเป็นประกายแจย่มใสจับอยู่ที่ดวงตาของเชฐ่อถ่าจิจ้องนิ่งมา หาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงไม่ได้มีพิษมีภัยใดๆกับท่านและคณะของท่านเลยผมต้องการเพียงไปเหยียบให้ถึงที่นั่นเท่านั้นผมขอสาบานภายในเต็นต์บกคุมไปด้วยความเงียบชั่วขณะหนึ่งทุกคนตกอยู่ในห้วงความคิดหนักหน่วงในที่สุดเชืถาก็หันมาทางพรานใหญ่เอ่ยขึ้นขึ้นคมกระพิ น, น, นคุณคงทราบดีอยู่แล้วว่า ที่ผมออกเดินทางมาในครั้งนี้ผมไม่ได้สนใจหรือเชื่อถือในเรื่องขุมเพชรพระ อ, อุมาหรือว่ามรดกนครเมืองรับแปลอะไรนั่นเลยผมเพียงแต่ต้องการจะตามหาน้องชายของผมเท่านั้นและไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนอันเนื่องมาจากการเชื่อถือศรัทธาในสิ่งใดผมก็จะต้องตามเขาให้พบถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ที่นี้จากสิ่งที่คุณเคยได้ยินได้ฟังมาและหลักฐานประกอบบางอย่าง มันเกิดมามีโมลใกล้เคียงกับสิ่งที่แง่า ย, ายเล่ามันทำให้ต้องหน้าคิดเสียแล้วถามจริงๆเถอะในความรู้สึกส่วนตัวคุณรู้สึกอย่างไรบ้างผมยังบอกอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับจอมผ่านกล่าวแผ่วเบาอย่างระมัดระวังตาลลงหลีลงหลักฐานสำคัญที่สุดที่ผมได้มาก็คือคำบอกเล่าของเนวินและลายแทงเมื่อสี่ร้อยปีของมังมหานราธาอย่างที่เรียนแล้ว คุเพชราอุมาหรือมรกฎนครจะมีอยู่จริงหรือไม่เราจะรู้กันเมื่อไปถึงเทือกเขาพาศิวะแล้วซึ่งก็ยังรับรองไม่ได้ว่าเราจะค้นพบหรือเดินทางไปถึงจุดหมายอันไม่ปรากฏอยู่ในแผนที่ของภูมิศาสตร์นี้หรือไม่คุณชายอนุชาได้สูญหายเข้าไปในโรคหลงสำรวจส่วนนี้เพราะความหวังและความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมแน่ละพวกเรายังไม่งมงายจนถึงกับจะเชื่อในสิ่งนี้ แต่ที่เราต้องบุกบั่นเข้าหาเป้าหมายนี้ด้วยก็เพราะต้องการติดตามคุณชายอนุชายพบนั่นเองเป็นต้นเหตุสําคัญที่สุดต่างเงียบเงันกันไปอีกไม่มีใครอ่านความคิดของกันและกันออกเลยจากหล่มช้างเข้าไปแกเคยผ่านเข้าไปก่อนแล้วและใช้ชีวิตอยู่ถึง78วันตามที่เล่ามาไหนลองบอกซิสภาพป่าเป็นยังไงบ้างชยันตั้งคําถามทําลายความเงียบขึ้น แง่สายยิ้มน้อยๆ อ, อย่างยากที่จะอ่านความหมายนิ่งไปครู่ก็ตอบในกระแสเสียงห้าวกรงวานเช่นเดิมว่าผมไปได้ไม่ไกลนักกระครับเจ้านายมันเป็นป่าดิบดงดําที่มองไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเท่าที่ผมเห็นพิกขี้หนูต้นหนึ่งขนาดสี่คนโอบลูกของมันมีลักษณะเป็นหวีเหมือนกล้วยตะขาบตัวเท่าไม้กระดานฝาเรือนยาวห้าวาใหญ่กว่านั้นจะมีอีกหรือเปล่าผมไม่ทราบ งูบางชนิดมีงอนอีเห็นใหญ่เท่าเสือลายพาดก่อนตัวต่อไม่ทำรังอยู่บนกิ่งไม้แต่อาศัยอยู่ในหลุมแต่ละตัวเกือบเท่าฝ่ามือกวางเดินพาดตกลงไปในหลุมของมันชั่วอึดใจเดียวเหลือแต่กระดูกผมเห็นอะไรไม่มากนักหรอกครับเพราะผมเข้าไปตื้นนิดเดียวทุกสิ่งที่ผมเห็นไม่เคยปรากฏให้เห็นอยู่ในป่าไหนมาก่อนเหมือนฝันร้ายแต่ผมก็ไม่ได้ฝันนะ คำพูดด้วยน้ำเสียงเรียบราบได้ระดับเป็นปกติของแง่ายฟังดูธรรมดาหรือเกนินแต่ทำเอาเชษฐาชายยันและพรานใหญ่ระพินหันมาจ้องตากันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกไม่มีใครปิดปากพูดคำใดอยู่เป็นเวลานานทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะต้องคาดกานสอบซักเอากับแง่ายในสิ่งที่เล่ามานั้นเพราะสีหน้าแววตาตลอดจนลักษณะท่าทีของแง่าย ไม่มีสิ่งใดสอให้เห็นเลยว่าหนุ่มกระเรียงพระเนจรผู้ลึกลับจะมีเจตนากล่าวคำเท็จเชษฐาควักถุงยาออกมาบรรจุกล้องสูบอัดควันหนักนวงชายยานลินบรันดีเทหายเข้าเป็นลำคอเกือบครึ่งแก้วรั่วดเดียวแล้วสะบัดหน้าตบต้นคอเหมือนจะขับไล่ความมึนงงเพื่อปลุกความรู้สึกของตนเองให้แน่ชัดว่าหูของเขาไม่ได้ฝาดไปส่วนระพีนอยู่ในอาการเงียบขึมสงบเหมือนเดิม ในที่สุดอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็หัวรอะขึ้นเบาๆหันไปมองดูสหายของเขาซึ่งกำลังอยู่ในผวังคุ้นคิดเงียบขรึมไม่ผิดอะไรกับพรานใหญ่เรื่องมันชักจะใกล้เคียงกับนิยายเข้าไปเต็มทีแล้วหรือยังไงเพื่อนยากถ้ามันจะเป็นนิยายมันก็เป็นนิยายตั้งแต่เริ่มต้นที่เราได้ยินคำว่าขุมเพชรพระอุมาจากลพินมาแล้วราชนิกูลหนุ่มหัวหน้าคณะเดินทางตอบเคร่งขรึม แล้วหันมาพยักหน้ากับแง่ทรายเอาละแง่ทรายแกออกไปได้แล้วอดีตนายทหารกองโจรกระเลียงลุกขึ้นร่างสูงใหญ่ตะงานงามราวกับตุ๊กตาสลักด้วยสำลิสนั้นเดินรับหายไปนอกกระโจมพอรับร่างของแง่ทรายเชษฐาก็เปลี่ยนสายตา ม, มาจับนิ่งอยู่ที่จอมพรานเ อ, อ่ยขึ้นต่ำๆรู้สึกเป็นยังไงบ้างตามที่แง่ทรายเล่า ผมก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคุณชายได้ชา ย, ยันนั่นแหละครับคือถ้าไม่ได้เห็นกับตาตนเองก็เพียงแค่รับฟังไว้พางๆก่อนและสำหรับในสิ่งที่แง่า ย, ายอ้างว่าได้เห็นมานั้นผมเองก็ยังไม่เคยไม่ได้เห็นจึงไม่สามารถจะยืนยันหรือแสดงความเห็นใดๆได้แล้วคุณคิดว่าย่อชายในแง่า ย, ายของเราจะกุเรื่องขึ้นเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้แก่เราหรือเปล่าชา ย, ยันเอ่ยขึ้นโดยเร็ว เดาะลูกไรฟเฟิลขนาดใหญ่เล่นในมืออย่างปราดจากความหมายพลานใหญ่นิ่งไปอึดใจก็บอกเรียบๆว่า <c oughs> ผมคิดว่าแง่ซ า, ายคงไม่มีเจตนาที่จะกุเรื่องหรือกล่าวเท็จอะไรหรอกครับสังเกตดูจากนิสัยของหมอและสิ่งแวดล้อมตามปกติหมอไม่ใช่คนช่างพูดอยู่แล้วตรงข้ามกับเป็นคนอมพนันไม่ชอบพูดอะไรโดยไม่จาเป็นเว้นไว้แต่จะถูกสอบซักถาม และเรื่องที่หมอเล่าให้เราฟังก็เป็นเรื่องที่เราขอร้องให้หมอเล่าเองไม่ใช่หมออยากจะคุยให้ฟังอยู่ก่อนเรื่องมันอยู่ที่ว่าแง่สายไปพบเห็นมากับตาตัวเองโดยสิ่งประหลาดเหล่านั้นมีจริงหรือว่าหมอเกิดสายตาวิปริตฟันฟ้นเฟืองตาฝาดไปอันเกิดจากพิษเจ็บไข้ได้ป่วยพราะหมอก็บอกอยู่แล้วว่าหมอประสบอุปตวะเหตุถูกงูกัดนอนสลบอยู่และรอดตายเพราะพระพธุดงมาช่วยไว้ ภาพเหล่านั้นอาจาเป็นภาพหลอ น, นในขณะที่หมอนอนเจ็บอยู่ก็ได้พอฟื้นรอดตายกลับมาได้ก็ทำให้สับสนเรือเรือนจำแนกม่ถูกว่าสิ่งเหล่านั้นมาจากภาพฝันร้ายหรือความจริงกันแน่แล้วก็เลยทึกทักเอาว่าได้ไเผชิญมากับสายตาตัวเองข้อสันนิษฐานของคุณมีเหตุผลอยู่มากเชษ่ถากล่าวขึ้นอย่างใคร่ควรลึกซึง้งอาจาเป็นอย่างว่านี่ก็ได้คือเงาายไม่มีเจตนาที่จะโกหกเรา แต่ก็เอาสิ่งที่ตนเองเห็นในมโนภาพขณะเจ็บป่วยอยู่กลางป่าลึกแห่งนั้นมาเล่าให้เราฟังโดยที่ตัวเข้าใจว่าเป็นภาพจริงผมก็สังเกตหมออยู่เหมือนกันไม่มีอะไรจะสออ ว, ว่าเป็นเรื่องที่เจตนากุกขึ้นแง่ท า, ายพูดออกมาจากความรู้สึกแท้จริงซ้ำยังยืนยันกับเราเสียอีกว่าไม่ได้ฝันไป